จตุถีวิพัฒน์ข้อสในหน้าสาข้อ3จตุถีวิพัฒน์ในอัดอาศีสนัทถะคำว่าอาศีสนะนี้แปลว่าหวังแปล ว, ว่าปรารถนาแปลว่าปรารถนาดีอาศีสนะเนี่ยนะอาศีสนัถะก็ใช้ในอัดว่าอาศีสนะอาศีสนะหวังปรารถนาในจตุถีวิพัฒน์ใช้ในอันนี้แปลว่าแก่แปลว่าแด่ ตัวอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำคล้ายๆภาษาไทยก็คือคาอวยพรคำอวยพรเป็นคำปรารถนาดีว่าขอให้ท่านมีดีอย่างนั้นมีดีอย่างนี้ <c oughs> ภาษาไทยก็ถ้าจะลาจากกันก็โชคดีนะพบกัน <c oughs> ก็ว่ายังไงบ้างภาษาไทยสบายดีไหมหรือ <c oughs> จะจากกันก็ขอให้ขอให้สุขภาพแข็งแรง บอกคนแก่เขาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะบอกคนหนุ่มสาวก็ให้ได้ดังปรารถนาให้สมหวงังบอกคนเรียนบาลีจะบอกว่ายัางไงทีเนี้ยต้งบอกว่าขอให้อาจารย์อย่าทิ้งนักเรียนจน ก, กว่านักเรียนจะเรียนจบนัน่น น, นักเรียนปรารถนาใช่ไหมถ้าอาตมาปรารถนาบา้างลายทีเนี้ยทำ ถ้าอาจารย์ไม่เลิกสอนเขา่างนีไปไหนต้องต้องบอกว่าตายเกิดใหม่ก็จะมาเรียนบอกอย่างนี้ดูตัวอย่างจตุถีวิพัตใช้ในอดอาสีสนะปรารถนาดีหวังดีเนี่ยนะแปลว่าแก่โดยทั่วๆไปแปลว่าแด่หมายถึงบุคคลที่เรายกย่องมากๆอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดา คำว่าแดดเนี่ยในเป็นการสรรเสริญยกย่องเพราะว่าแก่คงไม่ไพเราะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันภาษาไทยดูตัวอย่างข้อหนึ่งอายัสสมโตพีคายุโหตุพีคายุโหตุส่วนของไทยจะได้เห็นแต่คําว่าทีคายุโกทีคายุโกโหตุมหารกราชาอันนั้นถ้าทีคายุโกเนี่ย จะเป็นตัววิเศษณ์อยู่หน้าคริยาว่ามีว่าเป็นจะมีสภาพเป็นวิกติการตาแปลว่าขอให้ท่านจงเป็นผู้มีใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวผู้มีอายุเนี่ยไม่เป็นปฐมวิพัฒต์เป็นจตุถีวิพัฒต์ที่คาอายุก็จะแปลว่าความมีอายุยืนโหตุขอจงมีอายะสมะโตแก่ท่านขอความมีอายุยืนจงมีแก่ท่าน ทีคายุทีคะบวกอายุทีคะก็แปลว่ายืนแปลว่ายาวทีคะใช้สองอย่างหนึ่งใช้กับการเวลาสองใช้กับระยะทางนอกจากนี้ก็ใช้กับวัตถุสิ่งของก็มีเช่น <c oughs> ทีคะากายโยคนมีร่างกายยาวร่างกายยาวหมายถึงใครอ่าไม่ใช่ส่วนมากถ้าเป็นงูเนี่ยเขาจะไม่ใช้คําว่าร่างกายจะไม่ใช้ว่ากาโย ο. ถา ง, งูเขาจะใช้ว่าลำตัวยาวไม่ใช่ว่าร่างกายยาวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลังยาวร่างกายยาวในวินัยก็จะมีรัศกาโย ο, ทีฆาโย ο, เป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นอาาภัพภะบุคคลบวชไม่ได้คุย<อ>จ้าห้ามบวชใครเป็นพระอุปชาบวชให้พิสูจน์ว่ามีร่างกายยาวเกินไป ร่างกายสั้นเตี้ยเกินไปปรับอาบัตเอาไว้ฮ ะ, ะ, ะก็ผิดปกติไงครับมองเห็นปุ๊บก็รู้ผิดปกติคนเนี้ยเป็นคนแค้เต<ด>ียบผิดปกติแต่คนนี้<ม>อุ้ยสูงผิดปกติกสูงกรือว่าอะไรต้องบ <c oughs> อกอะไรเพื่อนถ <c oughs> ้าตำบรีท่านบอกว่าบกเขาเรียกว่าอ่ปุริสารลักษณะบกพร่องครับลักษณะ ความเป็นบุรุษบกพร่องเช่นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ไม่สมประกอบเช่นตัวเนี่ยยาวปกติเนี่ยแต่ว่าแขนสั้นๆบางทีตัวยาวแต่ขาสั้นๆอะไรเงี้ยคือคือไม่องค์ประกอบไม่สมส่วนในวินัยห้าบวชนะครับใครเป็นพระอุปชาบวชให้ปรับอาบัต มีมีมากกว่านั้นอาภัพภักดิบุคบบคลมีมากกว่านั้นในวินัยมีมากกว่านั้นบุคคลที่ห้ามบวช อ, อ, อะไรนะอันนั้นหมายถึงหมายถึงบุคคลผู้ไม่ควรมาลุกมรรคผลแต่นี้ไม่ไม่ควร บ, บวชแม้เขาจะไม่ได้บวชเขาก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมมาลุมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าเขามาบวชในถ้ำกลางสงอยู่ในคณะสงอยู่ในหมู่สงเนี่ย ไม่ได้ก็เหมือนยอมยอมผู้หญิงเนี่ยบวชไม่ได้แล้วบรรลุได้ก็บรรลุได้ใช่ไหมอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องบวชไม่ได้หมายถึงการบรรลุนนจจมรรคผลใช่ให้ให้ดูดีให้ดูงามเพราะว่าในยุคต้นๆเนี่ยหาบุคคลที่เข้ามาบวชยากเพราอบุคคลที่ร่างกายไม่สมประกอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ถูก ลงโทษมาลงโทษมามีโทษติดตัวถูกตัดมือตัดเท้าเพื่อประจานว่าคนนี้เป็นคนชั่วเป็นคนทำกรรมไม่ดีนั้นพวกนี้เขาบางครั้งก็จะเข้ามาบวชในสารอาพุทธเจ้าจึงห้ามไว้ไม่ให้บวชแต่ถ้าปกติธรรมดาทั่วไปก็บวชได้ <c oughs> ทีคายุอายุยืนหัวตุจงมีอายัสมะโตแก่ผู้มีอายุ คำว่าแก่ผู้มีอายุในทนี้หมายถึงแก่ท่านท่านที่เราพูดด้วยเนี่ยแทนที่เราจะเอ่ยชื่อว่าขอความมีอายุยืนจงมีแก่โยมเกียรติพลสำนวนบาลีท่านมักไม่นิยมเอ่ยชื่อกันถ้าบุคคลนั้นเราจะเคารพจะไม่เอ่ยชื่อจะใช้อายสมัมมตอายัมมนตุศับเนื้อแทนอายสมัมมนตุศับเนียเป็นคา ก, กลาง จะใช้บุคคลผู้มีอายุมากกว่าก็ได้ใช้กับบุคคลผู้มีอายุน้อยกว่าก็ได้เป็นคำกลางๆไม่เหมือนพันเตอาวุโสที่เป็นอารพณะนั้นแบ่งเลยอาวุโสเนี่เรียกผู้มีอายุน้อยกว่าพันเตเรียกผู้มีอายุมากกว่าส่วนอายสัมมันตุในรูปว่าอายสัมมาอายสมนตาอายสัมมนโตอายสมมตาซึ่งแจกเหมือนกับศัพท์ที่ลงมันตุอันตุวันตุปัจัยทั้งหลายนั่นแหละเหมือนกันในไวยากรณ์เราเรียนมาแล้ว นันอายัสมตโตเนี่ยก <c oughs> ็คืออนัตตุกับสะเป็นโตนัตตุกับสะเป็นโตอายัสมนตุสะก็เป็นอายัสมตโตแปลว่าแก่แก่ผู้มีอายุอายัสมนตุมาจากไหนรู้จึงแปลว่าผู้มีอายุที่มาของอายัสมนโตอายัสมะโตอายัสมาหรืออายัสมนตุัตตเดิม อายัดสมานั่นะคือสัพเดิมก็คือลงศัสับเดิมจริงๆมาจากอายุศั์อายุก็แปลว่าอายุถ้าถามว่าอายุคืออะไรคําว่าอายุนี้แปลว่าชีวิตอายุก็คือชีวิตชีวิตก็คืออายุโดยความหมายของศัพท์ควาว่าอายุเนี่ยนะมาจากอิธาดแล้วก็อุปใ จ, จอิธาตแล้วก็อุปใ จ, จ อายุนะอายุจริงอายุอีพัดรัอุปจาย์ทาไมมันเป็นอย่างนี้ได้อายุอัว อีธาชัยนิอัดว่าคติมมหิในการไปอีธาแปลว่าไปสัพ์ใดแปลว่าไปสัพท์นั้นก็แปลว่าเป็นไปเยขตยถาเตพุทยถาประวัติปฏิอภวัติปารุณธทการแปลว่าไปได้ก็แปลว่าบรรลุไปลว่ารู้แปลว่าถึงแปลว่าเป็นไปได้นั้นอีตัวนี้แปลว่าไปหรือแปลว่าเป็นไป นั่นแหละอายอมุมาจากอีท่านแปลว่าเป็นไปท่าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยสภาพใดสภาพนั้นชื่อว่าอายุสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยชีวิตตินสีใดชีวิตตินสีนั้นชื่อว่าอายุและนักคำว่าอายุเนี่ยท่านแปลว่าชีวิตหมายถึงชีวิตตินสีนั่นเอง แปลว่าช่วยให้สัตว์มีชีวิตเป็นไปได้ช่วยให้สัตว์ยังเป็นอยู่ได้คำว่าอายุเนี่ยนะแปลว่าช่วยให้สัตว์ยังเป็นไปได้ <c oughs> แล้วอีเป็นอายะได้ยังไงวิธีทาก็คือวุ ธ, ธิอีเป็นเอนะวุ ธ, ธิการวุ ธ, ธิอีเนี่ยเป็นเอแต่การวุ ธ, ธินี้ไม่ใช่ด้วยอำนาจของณปัจจัยณนะไม่มีวุ ธ, ธีด้วยอานาจของปัจจัยอื่น วุธีอีเป็นเอแล้วก็ให้อาเทศเอเนี่ยเป็นอายะเพราะมีสังกะอยู่หลังเอ <A S 1> เป็นอายะดังนั้นอีก็เลยกลายรูปไปเป็นอายะกับอุปจัยจึงมีรูปเป็นอายุคาว่าอายุจึงแปลว่าเครื่องช่วยให้สัตว์เป็นไปได้นั่นเองนะสิ่งที่ทำให้สัตว์มีชีวิตอยู่สิ่งที่ทำให้สัตว์เป็นไปได้อยู่แปลว่าอายุ อุทิเ อ, อเป็นเออเทศเอเป็นอายะบวกอุปัจจัยก็เป็นอายุถ้าวิเคราะห์เป็นกรณาสานะเป็นเครื่องทีนี้พอได้อายุมาแล้วเนี่ยเอาอายุตัวนี้มาผ่านวิธีกรรมเป็นตัดทิศ ให้เป็นอัสศติตัทิพย์พวิเคราะห์เนี่ยเห็นไหมมีอัศอธิตินั่นแสดงว่าเป็นอัสติตัทิพย์อัศติตัทิพย์มีปัจจัยหลายตัววันตุมันตุก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งอยู่ในอัศติตัทิพย์ท่านลงมันตุปัจจัยลงมันตุปัจจัยมันตุแปลว่าผู้มีมันตุเนี่ยใช้แทนคําว่าอัศอธิ แปลว่าของเขามีอยู่อัศอัติของเขามีอยู่ส่วนอายุก็แปลว่าอายุมันตุแปลว่าผู้มีพอผ่านความเป็นตัดทิศมามีอายุสับและมันตุปัจจัยก็จะแปลว่าอายะอายุมันตุแปลว่าผู้มีอายุแต่คำบาลีที่ท่านมีใช้นั้นน่ะท่านได้ไม่ได้ใช้ด้วยคําว่าอายุมันตุเพราะอายุมันตุมันอ่านยากอายุมันตุอายุมันตุลองว่าเถอะ ว่าสักสองนาะทีมีนเมื่อยค้างหมดแหละอายุมันตุอายุมันตุนตว่ายาก <c oughs> วิธีการเปลี่ยนแปลงรูปให้ออกเสียงง่ายท่านจึงให้อาเทศสละอุที่อายุนั่นแหละเป็นอัดอุเป็นอัดเป็นอาสนั่นแหละนะอุเป็นอัด อ, <c oughs> อายุก็เลยเป็นอายัดนะอายุเป็นอายัด เมื่อประกอบมันตุปัจจจึงมีรูปเป็นอายัตสมันตุนะสะตัวนั้นสะกดตัวหน้าเป็นอายัตแต่ว่ากล่ําเป็นสังโยกกับตัวหลังเป็นสะกดกล่ําก็เลยอ่านทั้งสะกดและกร่ําเรียกว่าสะกดควบกล่ําว่าอ่านว่าอายัตสมันตุอายัตสมนตุแปลว่าผู้มีอายุแต่ถ้าลงปจัจจัยตัวอื่นอายุจะไม่เปลี่ยนรูปนะ เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เฉพาะมันตุปัจจัยเท่านั้นอายุยังเป็นอายุเหมือนเดิมถ้าไม่มีปัจจัยนี้ <c oughs> เช่นลงกาปัจจัยก็จะเป็นอายุโกเห็นไหมไม่เป็นอายสัมันตุอย่างนี้แหละดังนั้นกัญจายนัสูตรอ่ะที่ให้ไปท่องเล็ก ๆ, ๆนั่นอนะ่ะ <c oughs> ก็มีสูตรของสับนี้โ <c oughs> ดยเฉพาะเลยว่าอายุสุกางราสมันตุมหิเพราะมันตุปัจจัยให้อะเทศอูของอายุเป็นอัด อายุ ส, สัก อ, อายุอะไรนะอายุสุการกระสะอายุสุการกราสะมันตุมหิอยู่ในกิพิธานักการนู่นในกิพิธานักการถ้าจะเปิดหาสูตรที่เท่าไหร่ไม่รู้อ๋อไม่ใช่กิพิธานักการสิเป็นเป็นตัทิศ ยุศุคาราสามุนตมิทธตปัติว่าจะเนมโยยู่ในตทิศอยู่ในตทิศในตทิศกันตทิศกันก็วานาปเจนายณะนานาวัชชทิโกเนโยธิการหีตัวนี้วานโวภะกวาธิหีเนกราวิธวาี่โตเยนวาสังสธรรมตะติจติวัติธรมติธรรมาทิตเตติตัณตาทิสนิธานยโยคสิปมดชุยกเทสุจชะนราตเตตัดเศธมยเทสุจชะชาตาทีณมิมิยาจะสมุหเทกันนา ธรรมชาติเป็นตัวสรญางิตา ดังนั้นอายุมันตุก็จะเป็นอายสัมมันตุพอได้อายสัมมันตุมาแล้วเนี่ยนะมาลงสิปธรรมวิพัฒน์ก็จะมีรูปเป็นอายสมาที่เราอ่านว่าอายสมาอายสมาเนี่ยจะอ่านว่าอายสมาอายสมาอะไรก็แล้วแต่นั่นคือคำอ่านนะอายสมาแปลว่าผู้มีอายุอายุแปลว่าอายุ มันตุแปลว่าผู้มีพอได้รูปอายสัมันตุก็นํามาจําแนกวิพัฒน์ในนามก็จะมีรูปอายสัมาอายสัมันโตอายสัมันตาไล่มาเรื่อยๆจนถึงเจ้าถีก็จะมีรูปอายสัมโตอายสัมันตัสสะอายสัมมาตังอายสัมมันตาัสถีก็เหมือนกันก็จะรูปอารอายุอายสัมโตนะอายสัมโตโดยการอาเทศนาตุกับสะในเป็นโต ดังนั้นในประโยคว่าอายัสมะโตทีขาายุโหตุเนี่ยจึงแปลว่าอายัสมะโตแก่ผู้มีอายุแก่ผู้มีอายุคําว่าผู้มีอายุเป็นคําเรียกอย่างยกย่องเหมือนกับเราเจอกันไม่รู้คุณอายุเท่าไหร่ก็เรียกว่าพี่พี่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนให้เกียรติเราเรานับถือว่าเหมือนพี่คําว่าอายะสมะโตก็เหมือนกัน ผู้มีอายุแก่ผู้มีอายุอันนี้ใช้กับปุงลิงนะอายะสมโตนะทีนี้อยากจะอวยพรผู้หญิงเหรทีเนี้ยทาไงทีขายุหวตวโเหมือนกันนี้แหละแต่ว่าจะให้ผู้หญิงอันนี้ให้ผู้ชายไม่ต้องอันนี้ทีขายุหวตวโนี่แหละเปลี่ยนอายะสมโตออกไปเอาผู้หญิงมาใส่แทน เพราะว่าคำว่าอายัดสมัโตเนี่ยเป็นคำกลางก็แปลว่าสุภาพบุรุษนะสุภาพสตรีบางทีเนี่ยทำไง อ, อ่ะอายะด ส, สี <laughs> ไม่ต้องเอาคำนี้ไม่ต้องใช้คำนี้อ่าวว่ามา โอ้จะเวย์ฟผู้หญิงกัญญาเนี่ยเหรอเดี๋ยวคนได้รับเวย์ฟก็ขำกิ้งแล้วนะนอายุเจ็ดสิบยังจะมากัญญาอยู่เดี๋ยวก็ยิ้มมาเห็นฟันยังไม่งอกนบังออน บางออนภาษาบาลีว so ่างไงทีเนี้ยบางออนเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอายะสมะโตออกไปแล้วก็เอาศัพท์ที่เป็นคำพราะเพราะของผู้หญิงมาใส่แทนคำของผู้หญิงก็คือฮะโปติยาโปติยา ไม่ใช่โกติยาโพพอสัมเพา โ, โพติแปลว่านางผู้เจริญนะโพติยาก็แปลว่าแก่แก่เธอผู้เจริญฮะยอ ย, ยากอย่างเดียวยานี้คือวิพัตเลยอะตั้งแต่นาจนถึงสมิงนะั่นคือเป็นยาเหมือนกันหมดโพติยาอายุโหตุขอให้ความอายุยืนจงมีแก่นางผู้เจริญ ใช้ได้หมดถ้าเราไม่ใช้คำนี้นะเราก็ใช้ปัธมาวิพัตน์ได้เลยโดยเปลี่ยนอายสมมโตเนี่ยออกไปเอาปัธ ม, มามาใส่ว่าอายสัมมาทีคายุโกโหตุอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็เอาอย่างคำที่เราเค ย, เคยอายุโกโหตุอายสัมมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนอายุโกโหตุมหาราชาอย่างนี้เหมือนกัน ใคยปรารถนาไหมว่าให้อายุยืนเอาแล้วปรารถนาอะไระให้อายุสั้น <laughs> ไม่ไม่ใส่ใจใช่ไหมสิ่งที่ควรใส่ใจมีกว่ามียิ่งกว่าใส่ใจอายุจะยืนอายุจะไม่ยืนก็ช่างเอาละดูต่อไปรู้ละอายะส ม, มา คืออะไรรู้ต่อไปพัฒทางคำที่เปลี่ยนนะดูนะพัฒทางอนามัยังสุขขังโสติพัฒทางแปลว่าความเจริญไม่ใช่ความมั่งคั่งนะครับว่าความเจริญเนี่ยถ้าความมั่งคั่งคือเจริญด้วยทรัพย์ส่วนพัฒทางเนี่ยเจริญทุกอย่างเจริญทุกอย่างคุณธรรมก็เจริญบุญกุศลเจริญ แม้แต่ธ ร, รมาค้าขายประกอบสัมมาชีพก็มีความเจริญจะ็จะใช้ว่าพัดทางเป็นคำกลางๆลางพัดทางความเจริญโหตุจงมีพระวะโตพระวะโตในสับเดิมมาจากพระวันตระสะเรารู้อยู่แล้วแก่ผู้เจริญพระวะโตแก่ท่านผู้เจริญถ้าผู้หญิงก็เป็นโพติยา เป็นโพติยาหมดอะผู้หญิงอ่ะพัดทางโพธิยาโหตุอืความจเจริญจงมีแก่เธออนามายังอนามายัยมาจากณนะแปลว่าไม่บวกอารมยะแปลว่าโรคะแปลว่าพยาธิอามายะเนี่ยแปลว่าโรคะแปลว่าพญาทิ แลวโรคข้าวยะที่ได้ชื่อว่าอารายะเนี่ยนะหมายถึงโรคประจำตัวเป็นนานๆไม่หายนะเขาเรียกว่าอนามายะอามายะนะบวกอามายะเมื่อนกะมีอาอยู่ข้างหลังก็าอาเทศนะเป็นอะนะจึงมีรูปเป็นอนามายะคา ว, ว่าอนามัยจึงแปลว่าความสบายความผาสุก ความไม่มีโรคอามายะแปลวันโรคประจำตัวถ้าแปลตามศัพท์อามายะแปลว่าโรคที่มันชุ่มอยู่อย่างนั้นไม่แห้งไม่หายอ่ะอามายะาอามายะแปลวันโรคณนะแปลว่าไม่อานามายะจึงแปลว่าไม่มีโรคแปลตามศัพท์เนี่ยอนามายะอานามายังก็แปลว่า ความไม่มีโรคดังนั้นก็เลยแปลงง่ายว่าความสบายความสบายความสบายดีเป็นไงสบายดีไหมล้วก็ถามได้ว่าควาว่าสบายดีไหมล้วก็ถามว่าความไม่มีโรคมีแก่เธอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นอนามมยังความไม่มีโรคโหตุขอจงมีพระวะโตแก่ท่านผู้จเจริญโพติยาก็แก่นางผู้จเจริญ สุขังความสุขอุปาสกานังโหตุโหตุจงมีอุปาสกานังแกอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายความสุขขอจงมีแก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายท้าโบหานก็บอกว่าขอให้อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายจงมีความสุขก็ใช้คําเดียวกันเนี่ย โสธีเตห์โหตุสะพธาเคยได้ยินไหมสทาโสธีพวันตูเตเคยได้ยินไหมรับพรทีไรก็ได้ยินทุกปีนะเพราะว่าตูสาพามังขะลังสุดท้ายก็สทาโสธีพวันตุเตสทาโสธีพวันตุเตก็มีความหมายเท่ากับโสธีเตหโหตูสะพธาอันเดียวกันเลยสะทาก็คือสะพธาเนี่ยความหมายเดียวกัน เราเรียนผ่านวิพัตปัจจัยมาแล้วอเทศสัพพะทั้งตัวเป็นสระตัวเดียวสัพพะธาก็มีรูปเป็นสระธาใช่ไหมโสถีก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้พาะก็โสถีโสถิโสตีแล้วก็ถ้ามีโสตีโหตุก็ต้องเปลี่ยนเป็นโหนตุหรือพอวันตุแล้วน่าจมีค่าเท่ากันเลยคํสองคาเนี่ยนะ เหมือนกันเลยความหมายเหมือนกันทุกอย่างนะสองประโยคสะทาโสธีพวันตุเตโสธีเตเโหตุสพัพพทาจะใช้คาไหนก็ได้สะทากับสัพพทาเนี่ยแปลเหมือนกันแปลเหมือนกันสัทาแปลว่าในการทุกเมื่อสัพพทาก็แปลว่าในการทุกเมื่อต่างกันเพียงแต่ว่าอาเทศสัพพสัพพนามเนี่ยเป็นสะได้ ส่วนาว่าโสติเป็นพหูพจน์โสถิเป็นเอกพจน์พระวันตุเป็นพรหูพจน์โหตุเป็นเอกพจน์ความหมายเดียวกันพวตุพวันตุแปลว่าจงมีขอจงมีโปรดจงมีโสถิแปลว่าความสวัสดีโสถีแปลว่าความสวัสดีทั้งหลายเต เหมือนกันข้างบนก็เตข้างล่างก็เตแต่ว่าเรียนสลับตำแหน่งกันเท่า น, นั้นเองเพื่อความสละสวยของภาษาด้วยเพื่อให้ถูกต้องตามคณะฉันด้วยโสถิความสวัสดีโหตุจงมีเ ต, ตแก่ท่านสัพพทานในการทุกเมื่อนี่เอกพจน์ส่วนผู้หัพจน์ก็โสถิความสวัสดีทั้งหลายพวันตุ จงมีเตแก่ท่านศรัทธาในการทุกเมื่อก็เลยแปลเหมือนกันง่ายๆว่าขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเหมือนกันเลยความหมายเดียวกันเลยออกมาจากศัพท์เดียวกัน อาเทศสัพพะเป็นสัตว์อะไรเหรออ๋อถามด้วยคำว่าอนามัยยังใช่ัหมเป็นคำถามใช่ไหมเป็นคำถามก็เขียน ง, ง, ง่ายๆ ถ, ถ้าเราตอบง่ายๆก็ตอบแค่นี้นนนเรื่องถามอย่างนี้ก็ถามใช่ไห ม, ไมแล้วก็ตอบว่าอาณามายังเมนีม่แกข้าพเจ้าเนี่ยอนณามายังเมแต่าแปลว่าข้าพเจ้าสบายดี ท่านสบายดีไหมล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าสบายดีอ๋อก็ได้ก็ขึ้นต้นด้วยสาธุอือฮะคุณล่าหรือจ้าปณะถ้าจะใช้ก็ว่าขอบคุณน่ะก็สาธุก่อนสาธุแล้วก็จบที่นี่แล้วก็เตปณะถามด้วยเตปณะ คนละเป็นยังไงอ๋อทำไปเลยนะยไยาไมเตปัะก็สวางปัะก็ได้นะสว่งปัะมีสำนวนอย่างนีเยอะๆในพอบาลีสว่งปนญะตรงเหตุปัะสวงปนะ กินเตะนามยังอนา ม, า ย, นามายังความความสบายดีเตของท่านหรือว่าโหติมีอยู่กิ่งหรือความสบายดีของท่านมีอยู่หรือท่านมีความสบายดีอยู่หรือแล้วก็ขึ้นต้นจะขอบคุณก็สาธุสาธุ แล้วก็ตอบด้วยอนามัยังเมขา้าพเจ้าสบายดีตวังปณ ะ, ะท่านละ่ะคุณละแล้วก็ฟังไม่ออกก็กนะิงกิ้งกิ้งอยู่นั่นแหละ นอกจากนี้มีอีกเยอะนะอย่างเช่นแทนที่เราจะใช้ทีคายุโกใช้ว่าสุขขังแล้วก็ใช้คำว่า ใช้คําว่าอารโขยังใช่ไหมใช้คําว่าผ า, าสุโกผาสุ ก, กังอะไรก็ แ, แล้วแต่ใช้คว่าผาสุอ่อารโขยงความไม่มี โ, โรคแทนอนาเมยังเนี่ยก็อารขยงยขยหรือไม่ก็ ม, มีคําอื่นอีกนะเช่นนิพยัง ขำวนนพยังไปว่าความปราศจากภัยความไม่มีภัยนิพพยังปลอภัน ย, อยนะ เขาพูดมิบให้มันชัดนะท่านมิบอยู่ในคอพยังเตะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เหมือนกันอี ก, กมาแย่แลมิบพยันนงแล้วความไม่ความไม่มีใคง่ายๆว่าให้เดินงันไปก็แต่ว่าโชคดีนะอไรง่ายปอดภยปลอดภัยนะอ้มีเนะยอะเช่นคำว่าอุปัตถวัง ก็เป็นมีรูปปัทเมีรูปปัทโวนะรีแก่ท่าน้นะรูปปัทเอโวจะเกิดความขัดข้องจะไปติดต่ออะไรก็ความความไม่ขัดข้องจะมีแก่ท่านนอกจากนี้ก็มีอีกอะ นี่อันตรายโยเต้อย่าได้มีอันตรายอันนี้ก็ภยัอนนภยอันนี้อันตรายและอุอปสรรคก็มีรูปุปสรคโค คำมวกนี้นะเป็นคำอวยพร น, นะนะนินินแปลว่าไม่มีส่วนร้านั้นอาคมไม่เฉยมีรูปปัทโธก็ระอาคมนิรันตรารโยก็ระอาคมนิอันตราโ ร, าา ร, รายโราารรายโ บอกว่าบอกว่าสมมติอย่างวันาวันไวเียแล้วก็จะไม่พบกัน้าเราบกลใวันบาลีไม่มีใช้ภาษาไทยก็ไม่มีใช้บาลีก็ไม่ใช้ แต่ถ้าอยากต้องการอยวพูดอย่างนี้ก็แต่งเอาใหม่ได้เพราะภาษาบาลีไม่ใช้ก็เนี่ยขโมนเนี่ยมันก็คือขอให้มีความสุขขอให้มีโชคดีขอข อ, ข อ, ข อ, อะไรแต่ว่าจะเพิ่มคําว่าอะไรละ่ะในระหว่างาใช่เพิ่มเข้าไปในระหว่างนี้วันนี้ใช่ความสุขไง สุขขังไงนี่ไงสุขขังหอยสุขโขสุขขังสตังเยอะๆอะไรก็ว่าไปหัวโตละเอาไว้เพราะเป็นคพูดแหละต้องรู้ันทีแล้วนะเตยตอนนี้มันเรียกหาเองอะเรียกหามันเป็นสัมปทานนะ เรียกหาหอวโตเอโออยากได้ตังไม่ยากหรอกมาเรียนบาลีฮะแล้วก็เขียนการ์ตูนบาลีขายเรียนจนเขียนการ์ตูนได้นู่นนะ่ะสมัยตามามาเรียนบาลีใหม่ๆนะมีโยมคนหนึ่งอยู่โคราชสั่งนักสั่งนา แล้วก็พูดแบบแบบที่เล่นที่จริงอะไรเนี่ยไปไปจะไปเรียนบาลีไปเรียนเลยสุดท้ายก็เขียนการ์ตูนขายพวกเรียนบาลีอะเยวาพวกสุดท้ายพวกเรียนบาลีก็เขียนการ์ตูนขายเขียนได้เขียนการ์ตูนขายเขียนได้แต่ไม่ได้เขียนขายรบบโยมเขาไม่รู้ว่าพวกเรียนบาลีะจะรู้อะไร พอรู้เรียนบาลีเนี่ยเหมือนกับ พ, พอไปเรียนบาลีมาละเทศยกนิทานเรื่องโน้เรื่องนี้เหมือนกับอ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยผ่านได้แล้วนะตรงนี้นะไม่อยากละลองแปลดูสิ อ, อายัสมะโตทีคายุโโหตุ ท่านเฉยๆก็พอถ้าโวหารก็แปลแก่ท่านเท่านั้นต่อไปท่านเฉยๆก็พ อ, อพระวัตรโตแก่ท่านอนามายัางพระวัตโตโหตุขอความสบายดีจงมีแก่ท่านไม่ต้องแล้วแปลว่าท่านเฉยๆ ถ้าเราแปลยกศัพท์ค่อยแปลออกศัพท์ถ้าแปลวงหารแล้วก็แปลง่ายๆสุขังอุปาสการนางโหตุขอความสุขจงมีแก่อุบาสกและอุบาสิก า, าโซทิเตโหตุสาาัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อขอให้ตัวเองมั่งว่าไงะ องทีคายโยหัวตุอย่างเนี้ยให้กับตัวเองไว่ายังไงอืมก็เ ห, หมือนกับอาหารอเวโลหมิอะไรงเ้ยแหะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นอาหางอันนี้เป็นเจตุถีไม่เป็นปฐมา <c oughs> <c oughs> แก่เราว่าไงแก่เราอะบาลีว่าไง <c oughs> แก่เราบาลีว่าไงไอ่าเมเมเมย์ไม่หังไม่หังก็ได้เมก็ได้ถ้าแก่ท่านก็เตลหรือตุยหังตุมหัง เมกับไมหังแก่เราแล้วก็เปลี่ยนไปอยสมโตเป็นไมหังถ้าเมย์ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สองเป็นทีคายุเมโหตุถ้าเป็นถ้าเป็นไมหังก็ไมหังทีคายุโหตุขอให้ข้าพเจ้าจงมีอายุยืนสาธุ เติมเมเข้าไปแต่ว่าเมย์ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สองของประโยคถ้าเป็นเมนะเป็นทีขายุเมโหตุพัดทางเมโหตุอนามายังเมโหตุสุขังเมโหตุโซทีเมโหตุสัพพทาอ่ามีไม่เห็นเลยนิมนพระไปสวดมนต์ที่บ้าน่ะ สวดไปสวดไปยอมยมฟังอแต่ยมฟังไม่ออกหรอกแต่พระพระสวดก็พูดไม่ออกฟังไม่ออกเหมือนกันแต่คนรู้บาลีอะไรพระมาสวดทําไมเพระสวดแล้วให้ตัวเองอะ <c oughs> อะไรนะบทสวดอะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอเตนะสัจวัตเชนะ <c oughs> ขึ้นต้นอะไรนะ พุทธังเมรสรนังอันยังอเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมหัวตูสัพพทา <c oughs> พระสวดจบแล้วโสธิเมโสธิเ ม, เ ม, เม <c oughs> ใหฟอนตัวเอง <c oughs> สวดเอาตัวเอง <c oughs> แต่โสธิเตก็แก่ท่านโสธิเมก็แก่ข้าพเจ้า นอกจากนี้ก็เนี่ยแหละนะคำพวกนี้เอาไปใช้ได้เนี่ยอย่างเนี้ยเราก็มาเปลี่ยนเป็นทีคายุก็เปลี่ยนคํานี้ก็ใส่ได้นะอายะสมโตเราก็ใส่คํานี้เข้าไปว่านิพยังหตุอายะสมโตนิพยังหตุนิพยังภวโตโหตุนิพยังอุปาสกานางโหตุนิพยังเตหหตุสพทาอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนคําได้เท่านั้นเปลี่ยน แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้เป็นอะไรเพราะว่าอาศีสนะในแปลว่าปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรารถนาให้ผู้นี้เป็นอย่างนี้ปรารถนาให้ตัวเองเป็นอย่างนี้แต่หมายถึงปรารถนาดีนะปรารถนาร้ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าบาลีท่านจะพรันาว่า อ, อย่างเช่นคนพูดไม่ตรงกับใจเช่นลูกดือ้อว่ายากสอนยาก ใช้งานหน่อยวิ่งลงเรือนหนีไปขอให้แม่ควายจงวิดมันตายอะไรเงี้ยใช่ไหมด่าตามหลังลูกขอให้ผีตามหาคอมันอะไรเนี่ยนี่เป็นคำพูดที่ไม่ตรงกับใจไงคนที่พูดไม่ตรงกับใจที่สุดหนึ่งคนที่มีความรักสองมันดาบิดาฮะไม่ใช่ คือคืออุบายการสอนเนี่ยไม่ได้หมายว่าใจในคิดร้ายปากร้ายจริงแต่ใจนไม่ได้คิดร้ายเพราะ อ, อย่างนี้ในในภาษาบาลีเขาจะมีว่ามีมีมครอบครหนึ่งอะ่ะลูกสอนยากก็พูดอย่างนี้แหละเพราะปกติเนี่ย ควายแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันชอบปิดคนใช่ไหมแม่ก็ด่าตามหลังลูกลูกวิ่งหนีแม่ก็ด่าตามหลังลูกเนี่ยเจ้าหนีไปเถอะนะขอให้อยู่ควายไม่ลูกอ่อนจงผิดเจ้าตายเพราะลูกวิ่งหนีไปแล้วก็หันกลับมาปรารถนาอยู่ตัวเองว่าขอขอให้คําพูดของเราอย่าสมหวังเลยขอให้ความปรารถนาของเราจงอย่าสําเร็จ <c oughs> ใช่เป็นอย่างนั้นหัวอกแม่รัา พ, พันาถึงคุณของหัวอกแม่อ่ะดูต่อไปให้จบจาตุทีวิพัฒ